รไตรปิฎกเล่มที่สิบสองมหาทุกขักขันทสูตรว่าด้วยกองทุกขสูตรใหญ่ปัญหาของปริภาชกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งในเวลาเช้าภิกษุจำนวนมากเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีเห็นว่ายังเช้าเกินไป จึงพากันเข้าไปยังอารามของอัญญะธิรตีบริพาชกอัญญะธิรธีปริพาชกเหล่านั้นได้กล่าวกับหมู่ภิกษุเหล่านั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระสมณะโคโดมบัญญัติการละกามทั้งหลายแม้พวกเราก็บัญญัติการละกามทั้งหลายพระสมณะโคดมบัญญัติการละรูปทั้งหลายแม้พวกเราก็บัญญัติ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 หรือการพร่ำสอนของพวกเราภิกษุเหล่านั้นไม่ยินดีไม่คัดค้านคำที่อัญญะเดียรตีปริพาโชคเหล่านั้นกล่าวหลักจากบินทบาศภายหลังฉันพัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้ากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงเรื่องนี้คุณโทษและการสลัดออกไปจากกรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงกล่าวตอบพวกอัญญเดรธีปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนั้นอย่างนี้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นการสลัดออกไปจากกามทั้งหลายอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นการสลัดออกไปจากรูปทั้งหลายอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นการสลัดออกไปจากเวทนาทั้งหลาย พวกอัญญาเดียวฤีปริพาชกถูกเธอทั้งหลายถามอย่างนั้นแล้วจะไม่พอใจและจกต้องถึงความขับแคนอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะข้อนั้นไม่ใช่วิสัยภิกษุทั้งหลายก็ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกรมมาโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เมื่อเว้นตถาคตสาวกของตถาคต หรือบุคคลฟังคำสั่งสอนของตถาคตเสียแล้วเรายังไม่เห็นผู้ที่จะพึงทาจิตให้ยินดีตอบปัญหานี้ได้ภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าเป็นคุณแห่งกรมทั้งหลายคือกามคุณห้าประการนี้กามคุณห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งรูปที่จะพึงรู้เห็นทางตาที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจ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 มีการเป็นต้นเหตุมีการเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายนั่นแลถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันภาคเพียนพยายามอยู่อย่างนี้พภกขสมบัติเหล่านั้นยังไม่สำเร็จผลเขาเศร้าโศกลำบากราพันตีอกคร่ำครวญถึงความหลงเพ้อ ว, ว่าความขยันของเราเป็นโมฆะหนา ความพยายามของเราก็ไม่มีผลเลยหนอแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งกรรมทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่จะพึงเห็นได้เองมีการมเป็นเหตุมีกรมเป็นต้นเหตุมีกรมเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งกรมทั้งหลายนั่นแหละถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยันพากเพียนพยายามอยู่อย่างนี้พภกคสมบัติเหล่านั้นย่อมสำริดผล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 พระราชาริพโภคสมบัตินั้นไปก็ดีพวกโจรปล้นเอาไปก็ดีไฟไหม้น้ำพัดไปก็ดีถายาทผู้ไม่เป็นที่รักแย่งเอาไปก็ดีเขาเศร้าโศกลำบากรำพันตีอกคร่ำครวญถึงความหลงเพ้อว่าสิ่งใดเคยเป็นของเราแม้สิ่งนั้นก็ไม่เป็นของเราภิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งการทั้งหลาย เป็นกองทุกที่จะพึงเห็นได้เองมีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเหตุมีการเป็นเหตุเกิดเกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นแหลอีกประการหนึ่งเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นแหลพระราชาทรงวิวาทกับพระราชาก็ได้กริยัวิวาทกับกริยัก็ได้พรามวิวาสกับพรามก็ได้ ขหาบดีวิวาทกับขหบดีก็ได้มารดาวิวาทกับบุตรก็ได้บุตรวิวาทกับมารดาก็ได <AM> <AM EL prescribed> ้บิดาวิวาทกับบุตรบุตรวิวาทกับบิดาก็ได้พี่ชายน้องชายวิวาทกันก็ได้พี่ชายน้องสาววิวาทกันก็ได้สหายกับสหายวิวาทกันก็ได้ชนเหล่านั้นก่อการทะเลาะก่อการแก่งแย่งและก่อการวิวาสกันในที่นั้น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 อีกประการหนึ่งเพราะเหตุแห่งการทั้งหลายชนทั้งหลายถือดาบและโล่จับธนูพาดลูกศรแล้ววิ่งเข้าสู่สงครามปะทะ ก, กันทั้งสองฝ่ายเมื่อพวกเขายิงลูกศรไปบ้างพุ่งห อ, อกไปบ้างกวัดแกว่งดาบฟันกันบ้างชนเหล่านั้นถูกลูกศรเสียบเอาบ้างถูกห อ, อกแทงถูกดาบตัดศีรษะบ้างชนเหล่านั้นจึงเข้าถึงความตายบ้าง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 แล้ววิ่งเข้าไปยังเชิงกำแพงที่ฉาบด้วยเปลือกตมร้อนเมื่อพวกเขายิงลูกศรพุ่งหอกไปกวาดแกว่ดวงดาบฟันกันบ้างชนเหล่านั้นถูกลูกศรเสียบถูกหอกแทงถูกมูลโคร้อนรด ถ, ถูกคราดสาดถูกตัดศีรษะชนเหล่านั้นจึงเข้าถึงความตายบ้างถูกปางตายบ้างภิกษทุทั้งหลายแม้ข้อนี้ ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งการามทั้งหลายเป็นกองทุกข์ที่จะพึงเห็นได้เองมีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเหตุมีการเป็นเหตุเกิดเกิดเ พ, เ, กกกเพราะเหตุแห่งการามทั้งหลายนั่นแหละอีกประการหนึ่งเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งหลายจนทั้งหลายตัดช่องย่องเบาบ้างขโมยยกเขาบ้างล่นบ้านบ้างดักจี้ในทางเปลี่ยว ละเมิดภันยาผู้อื่นบ้างพระราชาก็รับสั่งให้จับเขาลงอาญาด้วยประการต่างๆคือเคียนด้วยแสบ้างเคียนด้วยหวายบ้างตีด้วยไม้พลองบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างทั้งตัดมือและเท้าบ้างตัดใบหูตัดจมูกตัดทั้งใบหูและจมูกบ้างวางก้อนเหล็กแดงบนศีรษะถลกหนงังศีรษะ แล้วขัดให้ขาวเหมือนสังบ้างเอาไฟยัดปากเอาผ้าพันตัวราดน้ำมันและจุดไฟเผาบ้างพันมือและจุดไฟถลกหนังตั้งแต่คอถึงข้อเท้าถลกหนังตั้งแต่คอถึงบั้นเอวสวมปอกเหล็กที่ข้อศอกและเขา่าและเสียบเหลาทั้งห้าทิศเอาไฟเผาบ้างใช้เบ็ดเกี่ยวเนื้อหนังเอ็นออกมาเฉือนเนื้อออกเป็นแว่น เฉือนเนื้อหนังเอ็นออกเหลือไว้แต่กระดูกบ้างใช้เหลาแทงช่องหูเสียบให้ติดดินแล้จับข้อมูลได้รอบบ้างทุบกระดูกให้แหลกแล้วถลกหนังออกเหลือไว้แต่กองเนื้อเหมือนตั้งใบไม้บ้างรดตัวด้วยน้ำมันที่กำลังเดือดพล่านบ้างให้สุนัข ก, กัดกินจนเหลือแต่กระดูกบ้างให้นอนบนหลาวทั้งเป็นบ้างตัดศีรษะออกด้วยดาบบ้าง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 วจีทุจริตและมโนโทุจริตครั้นประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตแล้วหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาศเนรกภิกษุทั้งหลายแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าเป็นโทษแห่งการทั้งหลายเป็นกองทุกข์ในสัมภารยาภพมีการเป็นเหตุมีการเป็นต้นเหตุมีการเป็นเหตุเกิด เกิดเพราะเหตุแห่งการทั้งหลายนั่นแหละภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าเป็นการสลัดออกไปจากกรมทั้งหลายคือการกำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในกามทั้งหลายนี้ชื่อว่าการสลัดออกไปจากกรมทั้งหลายข้อนี้หมายถึงนิพพานสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่ง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 ก็จักรอบรู้การทั้งหลายได้ส่วนสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งรู้ชัดคุณแห่งการทั้งหลายว่าเป็นคุณรู้ชัดโทษแห่งการทั้งหลายว่าเป็นโทษและรู้ชัดการสลัดออกไปจากการทั้งหลายว่าเป็นการสลัดออกไปตามความเป็นจริงอย่างนั้นเป็นไปได้ที่พวกเขาเหล่านั้นจักรอบรู้การทั้งหลายได้เองหรือจักชักชวนผู้อื่น เพื่อให้รู้อย่างนั้นและผู้ปฏิบัติตามแล้วก็จักรอบรู้การทั้งหลายได้คุณโทษและการสลัดออกไปจากรูปภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าเป็นคุณแห่งรูปทั้งหลายคือกษัตริย์สาวพรามสาวหรือกหาบดีสาว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 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการที่สุสมนัตเกิดขึ้นเพราะอาศัยความงามความเปล่งปลัง่งมีชื่อว่าเป็นคุณแห่งรูปทั้งหลายอะไรเล่าเป็นโทษแห่งรูปทั้งหลายคือบุคคลพึงเห็นสาวน้อยคนนั้นในโลกนี้โดยสมัยอื่นว่ามีอายุ80สิปี90ปีหรือหนึ่งรปีโดยกำเนิด เป็นคนแก่มีซิโครงคดดังกรอนเรือนมีหลังงอถือไม่เท้าเดินงกงกเงื่อนเนไปกระสับกระใสผ่านไวัยไปแล้วฟันหักผมงอกหัวโกรนหัวล้านหนังเหี่ยวมีตัวตกกระเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรความงดงามความเปล่งปลัง่งแต่ก่อนนั้นหายไปแล้ว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 อีกประการหนึ่งบุคคลพึงเห็นสาวน้อยคนนั้นซึ่งเป็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าถูกกาจิกกินบ้างแร้งถึงอยู่บ้างนกตะกรุมจิกกินบ้างสุนัข ก, กัดกินอยู่บ้างสัตว์เล็กๆหลายชนิดกัดกินอยู่บ้างเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งแต่ก่อนนั้นหายไปแล้ว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 กระดูกซี่โครงกระดูกหน้าอกกระดูกแขนกระดูกไหลกระดูกคอกระดูกคางอยู่ทางหนึ่งกระดูกฟันอยู่ทางหนึ่งหัวกระโหลกอยู่ทางหนึ่งเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรความงดงามความเปล่งปลั่งแต่ก่อนนั้นหายไปแล้วโทษก็ประปฏชัดแล้วมิใช่หรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะแม้ข้อนี้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 อะไรเล่าเป็นคุณแห่งเวทนาทั้งหลายคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ในสมัยใดภิกษุสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุข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 เธอย่อมไม่คิดมุ่งเบียดเบียนตนไม่คิดมุ่งเบียดเบียนผู้อื่นเรากล่าวว่าความไม่คิดมุ่งเบียดเบียนกันเป็นคุณแห่งเวทนาทั้งหลายอีกประการหนึ่งาะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตาติยชฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขในสมัยใดภิกษุบรรลุตัดยะฌานในสมัยนั้นเธอย่อมไม่คิดมุ่งเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเรากล่าวว่าความไม่คิดมุ่งเบียดเบียนกันเป็นคุณแห่งเวทนาทั้งหลายอีประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว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 มหาทุกขกักคันทสูตรจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสอง